วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่2องหกคนค่ะสองร้อสิ้าค่ะอ๋อวันนี้น้อยทางยสี่สิบเก้าค่สิบเก้านนี้เหลือเก้า9ี่สิบเก้าอัญาไม่ดีหรือเปล่าภาษาอังกฤษอ๋อภาษาอังกฤษอ๋อลืมไปเดี๋ยวคงจะเข้ามาเพิ่มตอปนี้มีคนบอกว่าได้ประโยชน์ค่ะอาจารย์อยู่ฮ่องกงเอก็ได้ฟังรรมะเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็ดีอย่างบางที ตับมันชัดเจนกว่าตรงไปตรงมากว่าภาษาไทยเรามีคำหมายเหมือนมันมีหลายความหมายหลังแล้วก็บางทีต้องแปลที มีคำถามอยากจะถามก็ถามได้นะประมาณใกล้ๆหน่อ ย, นะ อ, ยนะอาการเป็นประการถามพระอาจารย์ครับเวลาที่ผมบริกรรมผมก็ใช้คําบริกรรมว่าพุโทโธพุธโธพุธโทโธพุธโทโธนี้ครับแล้วเวลาที่มีจิตส่งองอกคุ้งซ่างนี้ผมก็จะบริกรรมคำเร็วๆว่าครับว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่างนี้ครับ เพื่อในการไม่ให้จิตฟุ้งร้างครับแได้ผลหรือเปล่าให้ผลครับใช่ว่าเวลาที่ถอดออกจากสมาธิแล้วจะมีอาการรู้สึกเกรงตรงมือครับพระอายอ๋อก็ไม่เป็นไรก็สังเกต ด, ดูว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ตอนที่อยู่ในการบริกรรมก็คือไม่ไม่รู้ว่างเรากำลังเกรงมือครับแต่เวลาถอดออก สมาธิมันก็จะวูบขึ้นมาแล้วต้รู้สึกว่าเราเกร็งมือเกร็งบริเวณขาครับอาจารย์ก็ไม่เป็นไรให้รู้เฉยๆรู้ว่าเดี๋ยวมันก็หายก็แล้วกันก็อันนี้คือเป็นวิธีที่ถูกต้องใช่ไหมครับก็วิธีที่ทําให้ใจเราหายฟุ่งซ่านไม่ที่ไหนครับพอบริกรรมร็วเสร็จเพื่อพอหายฝุ่งซ่านเสร็จก็จะมากําหนดเป็นปกติกคือพุทโธพุทโธไปเลยครับได้แต่ยังไม่ถึงกับรวมต้องพยายามทําต่อไปให้มันตกลุมตกบ่อรวมเป็นหนึ่งครับคุณพระอาจารย์ครับ ทำต่อไปครับอย่าเพิ่งออกจากสมาธิถ้ายังไม่รวมพยายามทําให้มันรวมให้ได้ครับร่บนะมีคํำถามครับอาจารย์ผมอยากจะทราบถึงเรื่องพระธาตุครับราอาจารย์จะเป็นไปได้จริงเท็จแค่ไหนครับที่ว่าเวลาพระอริยเจ้าที่ดับขันธิผลไปแล้วสร้างกายสําคัญท่านจะเป็นกลายเป็นพระธาตุครับเอ่าเป็นเพราะวจิตของท่านบริสุทเนี่ย เกิดจากสมาธิหีือระคามาีร์จจเกิดจากที่ท่านได้กาจัดกิเลสตัณหาหมดไปจากใจใจจะสะอาดบริสุทธิ์แล้วใจที่สะอาดนี้สามารถซักพอกกระดูกให้กลายเป็นพระธาตุได้พระเท่ากับว่าร่างกายสังคัญที่เปลี่ยนแปลงเป็นพระธาตุนี้ก็คือเข้ากับท่านมรรลุเป็นพระอาหารใช่ไหมครับใช่ แต่แต่มังงองท่านอาจจะบรรลุเป็นธาตาาุแล้วแต่ยังไม่เป็นร่นางกายยังไม่กลายเป็นพระธาตุก็ได้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ท่านเป็นก่อนตายว่าเป็นนานหรือไม่นานถ้าเป็นวันนี้แล้วตายพรุ่งนี้อย่างนี้เวลาที่จะฟอกมันไม่มีเหมือ น, นเหมือนเราผ้าไปแช่ในน้ำปั๊บเดี๋ยวเรายกขึ้นอย่างนีกับผ้าที่แช่อ ย, อยู่นานๆการซักฟอกมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันยัน กระดูกของผ้าหลานบางรูปนี้อาจจะไม่กลายเป็นผ้าท่าขึ้นมาก็ได้เพราะว่าบางทีท่านท่านเป็นผ้าหลันได้ไม่นานแล้วท่านก็ตายไปแต่ถ้าเป็นมานานๆหลายสิบปีเนี่ยพอตายปุ๊บเนี่ยกระดูกนี่บางส่วนเป็นผ้าท่าไปแล้วแต่ไม่ได้เป็นทุกชิ้นทุกอันนะเดี๋ยวจะไปคิดว่ากระดูกทุกอันต้องเป็นผ้าท่หมดแล้วที่ผ้าทาแตกต่างแตกต่างออกไปคือบางพระท่ า, าก็จะเป็น แก้วสายนี้ขึ้นอยู่กับจิตที่บริสุทธิ์ป่าครับจิตทั้งหมดมันบริสุทธนะิ์่ะแต่จะเป็นสีต่างๆนี้ไม่ทราบไม่ทราบสาเหตุไม่มีการอธิบายให้ฟังครับพรพุทธเจย์ครับ อ, อ, อาจจะขึ้นอยู่กับบา ร, รมีของแต่ละจิตมนะั้งพระพุทธเจ้านี่มีบาริบีบา ร, รมีมากกว่าพระสาวกพระท่านของท่านอาจจะต่างจากพระท่านของสาวกก็ได้ อ, อยู่ที่บา ร, รมีอันนี้ ที่ไม่เท่ากันคือเป็นจริงใช่ไหมครับจริงจริงเพียงแต่ว่าท่าที่เขามาให้เรานี้อาจจะไม่จริงนะถ้าใครเขาเอามาให้เราเราก็อย่าไปปฏิเสธแล้วอย่าไปอะไรเขาให้ก็รับไว้สาธุไปแต่อย่าไปหลงเดี๋ยวเขาบอกนี่เป็นพระธาตุขอขอเงินห้าร้อยพันหนึ่งนี่ก็แสดงว่ากําลังถูกหลอกแล้ว ของคุณทาา้ทาอัจารย์คาถามาถา ม, าถามีแค่นี้ครับอีกครอยางจะถามไม่ทางนี้ไม่มีอาทางบ้านมีไห ม, มยังเข้ามายังคำถามในอินบ็อกซ์จากคุณนัดดนค่ะทำไมพระห้ า, ถามถามมื้อเย็นครับอ๋อเพราะว่าท่านต้องการเอาเวลาไปปฏิบัติธรรม การรับประทานอาหารเย็นมันจะทำให้ง่วงนอนจะทำให้ิขี้เกียจแล้วจะทำให้ไม่ปฏิบัติธรรมกันเมือนกัญาติโยมพอกินอาหารเย็นแล้วก็อยากจะดูทีวีอยากจะนอนเราไม่ให้กินอาหารเย็นคําำถามจากคุณยิทยาค่ะจิตมโนวิญญาณเป็นสิ่งเดียวกันไม่ใช่หรือครับ คือตัวจิตเนี่ยมันมีหลายอย่างในตัวจิตในตัวจิตนี้ยังมีขันธ์สี่คือนามขันธ์มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วตัวจิตเองบางทีเราก็ไปเรียกมันว่าเป็นวิญญาณเวลาที่มันไปปฏิสนธิเวลาที่มันไปเกิดใหม่เราก็เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณ แต่มันก็เกี่ยวกับเรื่องตัวจิตเจ้ขอให้รู้เรื่องเหล่านี้มันเกี่ยวกับเรื่องของจิตทั้งนั้นแล้อีกข้อหนึ่งค่ะรูปนามเกิดดับไม่ใช่หรือครับก็ใช่เลยเกิดดับแต่คําว่าเกิดดับมันมีหลายแบบเกิดดับแต่ไม่หายเกิดดับแบบหายอย่างรูปคือร่างกายนี่เกิดดับแล้วมันหายมันเกิดมาแล้วเดี๋ยวพอมันดับมันหายไปหมดแต่นามนี่มันเกิดดับเกิดดับมันไม่หายมันเหมือนแสงห่งห้อย มันเกิดดับเกิดดับแล้วเดี๋ยวมันเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆมันไม่มันไม่หายฉนั้นคําว่าเกิดดับมันมีหลายความหมายคําถามจากคุณทรับยึ่งค่ะถ้าแม่เราป่วยเราสามารถทําบุญและอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของแม่แทนแม่ได้ไหรือไม่คะไม่ได้หรอกไม่ได้แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรก็ไม่ได้มาทําให้ร่างกายมันหาย เวลาร่างกายมันเป็นอะไรก็ต้องรักษาไปคําำถามจากคุณหม่วยซ่าค่ะถามว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องหรือไม่ค่ะขณะนั่งมีอาการเหมือนภูเขาหินกดทับตัวจนก้นจะทะลุพื้นกำหนดสติตู้อยู่สองชั่วโมงครึ่งจึงถอยออกครับและอีกครั้ง แต่พอเริ่มสงบมีอาการคันยุกยิบทั้งตัวสลับกับเจ็บแป๊บๆเหมือนเข็มทิ่มแทงจนสะดุ้งนับเป็นร้อยๆครั้งกำหนดสู้อยู่หนึ่งชั่วโมงแต่ก็ล่าถอยจนได้ลักษณะอย่างนี้คือการปรุงแต่งหรือไม่และควรทำอย่างไรครับก็จิตยังไม่สงบถ้าจิตงสงบอาการต่างๆเหล่านี้มันก็จะไม่มีถ้ายังไม่สงบก็ควรที่จะบริกรรมพุทโธพุทโธต่อไป จนกว่าจิตจะรวมสงบแล้วอาการต่างๆก็จะหายไปข้อสองค่ะพิจารณาการเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองพิจนายนย้อนถอยหลังไปไวัยเด็กเรื่อยขึ้นมาอยู่ๆน้ําตาไหลตามรู้ต่อไปจนปรากฏว่าน้ําตาหยุดไหลไปเองแล้วนิ่งจนสงบแล้วเกิดลำแสงขานวลขนาดเลเซอร์พอยท์ครับการพิจารณาอย่างนี้ถูกผิดหรือไม่อย่างไรครับ การพิจารณาเพื่อให้เราปล่อยวางร่างกายพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้ก็ถูกถ้ายังไม่ปล่อยวางร่างกายก็ยังไม่ถูกคำถามจากทางเฟซบุ o กไลฟ e ค่ะ จักคุณเฉลิมพลช่วงนี้เกิดอุบัติเหตุที่เขา่าปวดมากไม่สามารถนั่งสมาธิได้แม้บนเก้าอี้จะนอนสมาธิแทนได้ไหมครับขอแนะนําวิธีปฏิบัติได้เพียงแต่ว่ามันจะหลับเสมากกว่ า, านั้นนั่เองคําถามจับคุณกุ้งการชรําระนีิสง์หลังจากการมาพักปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นธรรมเนียนที่ต้องปฏิบัติหรือเป็นสิ่งที่ญาติโยมคิดเอาเองว่าควรทําคะ ก็เรามาอยู่วัดเราก็ใช้ของวัดเนี่ยเราไปโรงแรมเรายังต้องใช้นี่โรงแรมเลยแล้วนํานมามาวัดไม่ยอมใช้นี่วัดบ้างทำา่าวตะคุณนวิสูตรเข้ามาได้นะข้างบนนี้มีที่นั่งเข้ามาได้เนี่ยขยับเข้ามาถ้าอยากจะนั่งฟังต่อก็ขึ้นมาได้หรือไปฟังที่ศาลาหลังนู้นก็ได้เดี๋ยวจะเอาลำโพงไปให้ เดี๋ยวตกเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หยุดแล้วเข้ามาได้เนี่ยขยับเข้ามาเพียงข้งบนนี้เยอะแยะเพียงแต่อย่ามาบังกล้องเท่านั้นเองมาถึงนี้ได้เชิญเข้ามาได้หยุดแล้วแหละเห็นไหมคำถามจะคุณต้อง โยมบอกสามีและลูกว่าถ้าโยงเสียชีวิตขอให้เอาร่างให้โรงพยาบาลเพื่อนักเรียนหมอทั้งหลายเรียนแต่ญาติพี่น้องเมืองไทยไม่เห็นด้วยเขาบอกไม่ทำพิธีสวดสพเราจะไม่สงบหนูบอกแช่งมันเถอะอโยมทำถูกไหมคะถูกก็แหละร่างกายมันไม่เกี่ยวกับจิตใจ จ, จ, จิตใจสงบนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเอาร่างกายไปทำอะไรจิตใจสงบอยู่ที่การทำบุญ การภาวนาคำถามจากผู้ไม่ประสองออกนามผู้ที่ปฏิบัติจนถึงขั้นพระโสดาบันแล้วจะรู้ตัวหรือไม่ว่าถึงขั้นนั้นแล้วหรือต้องมีผู้ภูมิทางสูงกว่ารับรองให้ครับรู้ ร, รู้ว่าตัวเองไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายแล้วคำถามจากคุณเจน เป็นท้านะคะเมื่อสองวันก่อนครูบาอาจารย์ผมมรณภาพด้วยอุ บ, บัติเหตุจนมรในรถตู้ท่านทำกรรมอะไรมาครับหรือเพราะสตาวิขิตแล้วท่านจะได้มิพานไหมครับอ๋อท่านกรรมมาเกิดไงถ้ามาเกิดแล้วก็ต้องมาตายถ้าไม่มาเกิดก็ไม่มาตายานถามสกคุณนักกาคนที่นั่งสมาธิแล้วเป็นบ้า เ, เกิดจากอะไรคะควรนั่งอย่างไรไม่ให้เป็นแบบนั้นคะ ก็จากการที่ไม่ได้ศึกษาวิธีนั่งที่ถูกต้องไม่มีครูอาจารย์คอยเตือนคอยสั่งคอยสอนท่านั่งไปแล้วก็เชื่อตามตามความรู้สึกนึกคิดของตนก็เลยกลายเป็นคนบ้าไปได้อ่าไปพูดที่อู่นได้ไหมเนี่ยมันรบกวนกันนะ คำถามจะคุณสุภชยัยการถวายข้าวน้ําดอกไม้แดดพระพุทธรูปจะได้อ น, นิสงผลบุญต่างจากการใส่บาตรพระที่สุกธิสงฆไหมครับต่างไม่ได้บุญเลยพระพุทธรูปไม่ได้กินอะ่ะไม่ได้ดื่มคำถามคำถามจะคุณสุภาพ <c oughs> การที่เราไปทําบุญลงศพ บ, บ่อยๆ <c oughs> ขอบอกว่าดีจริงไหมครับ ก็เหมือนกับการใส่บาทเหมือนกับการถวายข้าวของเงินทองไปดีตรงที่ว่ามันทำให้เราคิดถึงความตายเวลาเราเอาโลกสบไปไหวจากเราก็คิดว่าเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของคนตายซึ่งเราก็ต่อไปก็จะต้องตายมันก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ว่าร่างกายของเรามันไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายมันก็า จ, จะทำให้เราตรงได้จะทำให้เรากลัวความตายน้อยลงไป หรือไม่กลัวความตายเลยก็ได้มันก็ได้บุญตรงนั้นคำถามสกุลเฮียนริชถ้าเรานั่งสมาธิแล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่คนที่เขามีความทุกข์จะได้ไหมครับไม่ได้หรอกเขามีความทุกข์ก็ต้องสอนเขาวิธีนั่งสมาธิคำถามสกุลโกหวานเราจะอุทิศ บ, บุญให้พระภูมิเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านได้อย่างไรครับ อ๋อไม่ต้องหรอกเราไม่ไม่รู้ว่ามีมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าพอมอ่อถ้าเป็นพระพรหมเขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญของเราถ้าพรมนียก็มีบุญเยอะกว่าเราคำถามสกุลนพนเซียนที่คนจีนนับถืออย่างเจ้าแม่กวนี้ืท่านเป็นอรหันต์หรือเปล่าครับเป็นพระโพธิสัตว์น้งใช่ไหมก็ไม่คนอินใช่ไหม คำถามกับคุณเนลูกอยู่กับสามีมาสิบเจ็ดปีทําไมลูกถึงเกลียดสามีมากมายเป็นเพราะอะไรคะเอ้าเวลาคุณรักคุณไม่มาถามเราเวลาคุณเกลียดมาถามเราได้ไงวะ <laughs> <laughs> ถามตัวเองเลยทำไมเมื่อก่อนรักเขาได้ทำไมเดี๋ยนี้มาเกลียดเขาตัวเราเป็นคนรักตัวเราเป็นคนเกลียดเราก็ต้องหาคําตอบเองด้ยเราไม่รู้นหน้อยเนย มันยุสามีหน้าตาเป็นยังไงล้วอยู่ไปทาอะไรมาเราก็ไม่รู้ตอนนี้ต้องถามหมวดค่ะหมวดแล้วเนอะคุณคู้ชมถามค่ะยูทูจากคุณอาการิโกค่ะทุกจากสิ่งที่ต้องแสวงหาและทุกจากที่จะต้องรักษาสิ่งต่างๆไว้อย่างไหนที่มากครับแล้วแต่เราอ่ะ้ อยู่ที่ตัวเราบางคนก็ทุกจากการแสวงหาบางคนก็ทุกมากกว่าจากการรักษาก็อยู่ที่เราถ้าเราอยากได้มากมันก็ทุกมากจากการแสวงหาถ้าเราหวงมากเราก็จะทุกจากการรักษาตอนนี้ไม่มีคาถามในชะ่ไหมครับนะถ้าเราทำพฤติกรรมพฤิกรรมมากๆอย่างนี้นครับ เวลาวิจิตคุณสร้างหรือกระแสภายนอกเข้ามากระทบไปในจิ Constant. ต gera, เราเราพยายามจะบังคับมันมันจะเกิดความรู้สึกโมโหโนี่อย่างนี้หือว่าผิดหรือเปล่าครับอ๋ออย่าไปบังคับับเราต้องบริกรรมไปเรื่อยๆ<อ>คือเพื่อไม่ให้มันชิดครับต้องแบบเอาอยู่กับพุโทโธพุโทโธอย่างเี้ยครับแต่<อ>ว่าเดใจเราก็รู้สึกว่ า, าจะไม่ยอมมันอย่างครับมันจะกลายเป็นเรียกว่าโทสะรือเครับจก็มันก็เป็นเวลาต่อสู้กันบางทีเราก็โกรธขึ้นมาได้ แบบไม่เกิดผลเสียต่อจิตใจเราเลยต่างก็เราอยากไปโกดเสร็จแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆการครับการคิดคิดมากเกินไปนี่จะทําให้กูติมครับบางทีผมจะเคร่งเครียดมากครับเวลาที่ผมปฏิบัติอยู่กับการบรรพับไม่ให้อารมณ์มันออกไปภายนอกครับครับอย่างนี้เป็นวิธีที่ผิดนะครับาคือไม่ผิดหรอกแต่มันเหมาะกับการอยู่คนเดียวมากกว่า เวลาเราอยู่กับคนอื่นเราก็ต้องแผ่เมตตาให้เขาเขาบนข้านอกเบอกว่านาเครียดมากใช่เวลาเราอยู่กับคนอื่นเราก็ต้องมีอัธยาศัยไม่ตีจิบต้องแผ่เมตตาต้องให้เขารู้สึกสบายกับเราตอนนั้นเราก็ต้องหยุดหยุดเครียดกับการควบคุมใจเราไว้ชั่วคราวไว้เวลาเราอยู่คนเดียวแล้วค่อยมาควบคุมมันต่อเวลา พบปากกับใครนี้ท่านสอนให้เราเจริญเมตตาแผ่เมตตามีรายงานจากครูชีฟ้าว่าสัญญาณจะดีดีสัญญาณดีอยู่นะตอนตั้งแต่ช่วงแรกคงจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงภางษาไม่กินนะคนฟังไม่รู้เรื่อง<ม>ตอนนี้ตอ น, ตอนนี้ขึ้นมาเท่าไหรนะ่ละตอนนี้สองรอ้อสเ็สบ ตแรกที่อาจารย์ถามว่าทำไมคนเข้ามาดูน้อยอบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีค่ะแต่ฟังแล้วหูไม่กระดิกเลยฟังแบบภาวนาคอให้เสียงผ่านเข้ามาไม่คาดหวังว่าต้องรู้ก็ดีแบบค่ะก็ะฟังเพื่อสมาธิไปเอาเสียงปลากรอบใจถ้าเข้าใจความหมายก็จะได้ปัญญาได้สัมมาทิสิตได้ความรู้มีไหมตอนนี้ยังไม่มีใช่ไห พระพุทธเจาบอกว่าใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ให้ความสุขความทุกข์มากที่สุดก็คือใจของเราความสุขความทุกข์ทางร่างกายนี้มันน้อยกว่าความสุขความทุกข์ทางใจแล้วความสุขความทุกข์ทางร่างกายก็เป็นความสุขความทุกข์ชั่วคราวเดี๋ยวพอร่างกายตายไปมันก็หมดแต่ใจเรานี่มันไม่ตาย ถ้ามันทุกข์มันก็ทุกข์ไปเรื่อยๆยาวถ้ามันสุขมันก็สุขไปเรื่อยๆแล้วเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์หรือสุขนี่ก็เกิดจากกิเลสตัณหาของเรานี่เองถ้าเราอยากจะให้ใจเรามีความสุขเราก็ต้องกำจัดกิเลสตัณหาเพราะกิเลสตัณหาเป็นตัวทำให้ใจเราทุกข์กันเวลาเราโกรธนี่ใจเราทุกข์แล้วเวลาโลภ ก, ก็ทุกข์แล้วเวลาโลภ ก, ก็อยู่ไม่เป็นสุข ต้องเดินแต่หาสิ่งที่เราอยากได้กันงั้นเราอย่าไปหลงกับกิเลสตัณหาพยายามมองเห็นความโลคความโกรธความหลงว่าเป็นเหมือนเชื้อโรคเชื้อเอชโลกเอชเนี่ยไม่มีใครอยากจะติดเชื้อโรคเอชเพราะติดแล้วรู้ว่ามันไม่สบายถึงแม้ว่าสมัยนี้เขาสามารถที่จะคุมมันได้แต่มันก็ยังทําให้เรา ไม่สบายได้ถ้าเราถ้าเราไม่กินยาเนั้นธรรมะก็เป็นเหมือนยาที่มาคุมโลกเอกมาคุมตัวโรค ก, กดลงที่ท่านสอนให้เราทำบุญนี้ก็เพื่อให้เราเอาเงินมาทำบุญแทนที่อยากเอาเงินไปทำตามความโลภเช่นอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ทั้งทั้งที่เราก็มีใบเก่ายังใช้ได้ดีอยู่เราก็เอาเงินที่จะซื้อกระเป๋านี้ไปทำบุญแทนแล้วต่อไปความโลภอยากจะซื้อกระเป๋ามันก็จะไม่มี แ้าเราก็จะไม่เดือดร้อนกับการต้องไปหาเงินมาซื้อของตามความโลภต่างๆถ้าเราซื้อกระเป๋าใบนี้แล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็อยากจะซื้ออีกใบหนึ่งเพราะว่ามันมันติดเป็นนิสัยความโลภมันจะทำให้เราโลภอยู่เรื่อยๆความไม่โลภมันก็จะทำให้เราไม่โลภไปเรื่อยๆดังนั้นเวลาเกิดความโลภเราต้องอย่าไปทาตามมันถ้าเราจะซื้อของให้ซื้อตามความจาเป็น อย่างนี้ไม่เร we ียกว่าเป็นความโลภเช่นกระเป๋าเก่าหายไปถูกขโมยไปต้องซื้อกระเป๋าใบใหม่ย่เี้ซื้อได้ถ้ามันจําเป็นต้องต้องซื้ออย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความโลภแต่ถ้ามันไม่มีความจําเป็นจะต้องซื้ออย่างเนี้ยจะเรียกว่าเป็นความโลภอย่าทำความโลภถ้ามีเงินแล้วอยากจะทําตามความโลภก็อาไปทําบุญเพราะมันจะหยุดความโลภได้มันจะทําให้เราไม่ทําตามความโลภ และต่อไปความโลภมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมานี่คือวิธีควบคุมความโลภด้วยการทําบุญอีกวิธีนึ่งควบคุมความโลภด้วยการทํารักษาศีลเวลาโลภบางทีเราอยากจะได้ของคนอื่นเนี่ยเราไปซื้อเองไม่ได้ก็เลยขโมยของเขามาไอ้นี้ของคนอื่นเขไอ้นี่กระเป๋าของเขาสวยอยากจะอยากจะซื้อแต่ไม่มีเงินซื้อ พอเขาเผลอวางไว้ที่ไหนแล้วก็ขโมยมาเราก็ถ้าเราถือศีลเราก็จะไม่ขโมยเราก็จะควบคุมความโลภได้หรือเวลาเรากโกรธเราอยากจะทําร้ายใครถ้าเราถือศีลเราก็ทําไม่ได้ถ้าอยากจะไปฆ่าเขาเนี้ก็จะฆ่าเขาไม่ได้เพราะเราถือศีลมันก็จะควบคุมความโลภได้ แล้วมันจะทำให้ใจเราสบายไม่ต้องมาทุกกับการทำบาปเวลาเราไปขโมยของเข้ามาแล้วเราจะไม่สบายใจก็เรากลัวจะถูกเขาจับไปลงโทษนี้เกิดวิธีหนึ่งที่จะช่วยควบคุมความโลภความโกรธความหลงก็คือวิธีรักษาสีสองวิธีวนะวิธีแร ก, กใกล้ทำบุญทำบุญนี้จะควบคุมความโลภความโกรธความหลงได้ รักษาศีลก็จะควบคุมความโลภความโกรธความหลงได้อีกระดับหนึ่งอีกทางหนึ่งแล้วทางที่สามก็ให้เรามานั่งสมาธิทําใจให้สงบเวลาใจสงบความโลภความโกรธความหลงก็ทํางานไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงนี้เหมือนกับเราเวลาจะเดินทางไปไหนนี่เราต้องมีรถยนต์ถ้ารถยนต์เสียมันก็ไปไม่ได้ ถ้ารถยนต์จอดอยู่เฉยๆเราก็จะไปไหนมาไหนไม่ได้ใจเราความคิดของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์เวลาเราคิดแล้วความโล่ก็จะตามมาคิดถึงแฟนก็อยากจะได้แฟนคิดถึงขนมก็อยากจะได้ขนมคิดถึงกระเป๋าก็อยากจะได้กระเป๋าขึ้นมาคิดถึงคนที่เราไม่ชอบก็โกรธขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่คิดได้เราให้พุทใช้คิดแต่ว่าพุทโธพุทโธไปหยุดความคิดได้ เราก็จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนี้ก็เป็นขั้นที่สาวิธีที่จะควบคุมความโลภความโกรธความหลงแต่ยังไม่สามารถกําจัดมันได้อย่างถาวรถ้ากําจัดมันได้อย่างถาวรต้องใช้ขั้นที่4คือใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์แล้วว่าการทำความการทําทตามความโลภความโกรธความหงนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเรา ไม่ได้เป็นการสร้างความสุขและเป็นการทำให้เรานี่ต้องทำอยู่เรื่อยๆพอโลภแล้วมันก็จะต้องโลภไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เราทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราไม่อยากจะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องไม่ทำตามความโลภความโกรธความหลงนี่คือวิธีที่เราจะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปพอไม่มีความทุกข์ใจแล้วมันก็จะมีแต่ความสุขใจใจนี้มันจะเป็นหย่องอย่างถ้ามันไม่ทุกข์ก็สุขเหมือนกับเหมือนกับเวลาถ้ามันเป็นกลางวันมันก็ไม่เป็นกลางคืนถ้ามันมืดมันก็ไม่แจ้งถ้ามันแจ้งมันก็ไม่มืดฉันนใดถ้าใจไม่ทุกข์ใจก็สุขถ้าใจทุกข์ใจก็ไม่สุข เราต้องมากำจัดตัวที่ทําให้ใจเราทุกข์กันก็คือความโลภความโกรธความหลงด้วยการทําบุญทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาสมถะภาวนาแปลว่านั่งสมาธิทําใจให้สงบวิปัสสนาภาวนาก็สอนใจให้รู้ว่าการทําตามความโลภความโกร ธ, ค ว, กรธความหลงนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจ เป็นการพาให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆมีเท่านี้แหละวิธีที่พระเจ้าสอนให้เราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติได้เราจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจเราอีกต่อไปเข้าใจัหมมีคำถามเข้ามาไหมเข้ามาต่อคำถามจากเ ฟ, ฟซบ o ๊กไ i ฟ์จากคุณแดนนี่ ลูกจะเข้าโรงเรียนอนุบาลดีหรือไม่ดีที่ต้องหาโรงเรียนดีๆ ท, ทางแงไกลบ้านพอคิดว่าเป็นการซื้อวิชาความรู้สังคมดีๆให้ลูกใจหนึ่งก็สงสารลูกต้องตื่นเช้าและเดินทางหรือเป็นการฝึกความอดทนคะอันนี้ก็น่แต่เราจะต้องการอะไรมันก็ต้องเลือกเอาถ้าต้องการให้ให้ลูกไม่ต้องทารามานมากก็ อาจโรงเรียนใกล้ๆบ้างเรียนก็ได้แต่ถ้าอยากจะได้โรงเรียนดีๆลูกตอบไปจะได้เรียนเก่งจะได้มีความสามารถหาเงินหาทองได้มากก็ก็แล้วแต่คำถามจะคุณนะัธยานั่งสมาธิอย่างไรไม่ให้เป็นแบบพวกกระติกแตกคะขั้นต้นก็ต้องศึกษาวิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้องว่านั่งอย่างไรขั้นที่สองก็ต้องมีคนคอยปรึกษา เวลามีคําเวลาไม่เข้าใจอะไร<อ>ก็ต้องไปหาคนที่เขามีประสบการณ์ให้เขาช่วยบอกเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานี้ถูกหรือไม่หรือจะแก้อย่างไร อ, อย่าปฏิบัติตามลาพังอย่าไปเชื่อตัวเราเองก็าบางทีตัวเราหลงได้หลงเราจะทาให้เราเสียคนได้เป็นบ้าได้ การปฏิบัตินี้จะต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำคอยแก้ไขปัญหาแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องมีครูอาจารย์มานั่งคู่กันเวลานั่งเวลาปฏิบัติี้เราทำคนเดียวแต่เวลาเราไปเรียนเราต้องไปเรียนกับอาจารย์เวลาเรามีคำถามเราก็ไปถามอาจารย์เพื่อให้ท่านแก้คำถามของเราคำถามตะคุณต้อง โยมเคยได้ยินพระอาจารย์สนทนานกับญาติโยมว่าคนเราสามารถมาเกิดได้เจ็ดชาติหลังจากเจ็ดชาติสิรเราไปไหนคาอ๋อคนที่กลับมาเกิดไม่จนเจ็ดชาติหมายถึงคนที่ได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งเพราะว่าพระโสดาบันนี้ท่านได้เข้าสู่กระแสที่จะนําไปสู่พระนิพพานหลังจากเจดชาตินี้ท่านก็จะไปถึงพระนิพพาน ท่านก็จะไม่ต้องกลับมาเวียน่ายตายเกิดเีล็กต่อไปตอนนี้ผานก็เป็นที่อยู่ที่ไม่ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายทัาถานสกุลและส้มิสมาภาวะาความว่างที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบตัติจะสามารถรู้เกิดขึ้นขณะที่เราไม่ปฏิบัติขณะกำลังใช้ชีวิตประจวาวันได้ไหมคะความว่างมันก็เกิดได้ทุกเวลาแต่อกาสที่มันจะเกิดเวลาอื่นนี่มันยาก มันมักจะเกิดตอนที่เราปฏิบัติ <Okay. S 1> เพราะเวลาเราปฏิบัติเราคอยกาจัดความวุ่นวายต่างๆ <Okay. S 1> ใจเราถึงว่างได้ <Okay. S 1> แต่เมื่อเราว่างแล้วต่อไปมันอาจจะว่างใ น, ในเวลาไหนก็ได้ <Okay. S 1> ถ้าเรารู้จักควบคุมความวามุ่นวายไม่ให้มันเกิดขึ้นมาคำถามจามกคุณพณะวดีค่ะอยากเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆข้อดีคือทาประโยชน์ได้มากขึ้นแต่อีกใจเพื่อฐานะดีขึ้น แต่เป็นกีเลศแต่กีเลศชนิดนี้มีประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วแบบนี้ควรจะเรียนหนังสือถึงจูงใหมคะถ้าเราคิดว่าเราทำเพื่อทำเพื่ อ, ท ำ, อทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นก็ดีมันก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่กลัวว่าพอได้เงินมาแล้วมันไม่ทําอย่างนั้นสิ <c oughs> เก็บเงินเอาไปใช้คนเดียว <c oughs> เที่ยวคนเดียวแต่เวลาทําก็อ้างเหตุผลว่าทําเพื่อผู้อื่น เราก็ต้องมีความสื่อตรงกับปฏิทานของเรานิทานของเราถ้าเราตั้งใจว่าจะเรียนสูงๆเพื่อมาช่วยเหลือคนอื่นพอเราเรียนแล้วจบแล้วเราก็ต้องมาช่วยเหลือคนอื่นตามที่เราได้ตั้งปะบำิทานไว้มันก็ดีแต่การเรียนทางโลกก็ยังสู้การเรียนทางธรรมไม่ได้เพราะว่าความรู้ทางโลกนี้ยังไม่สามารถช่วยผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ แต่ความรู้ทางธรรมนี้จะสามารถช่วยให้ตัวเราเองหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วก็ช่วยให้คนอื่นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงศึกษาพระพุทธเจ้าทรงเลีอยศึกษาทางธรรมเมื่อถึงทำขั้นสูงสุดแล้ว mm hmm. ก็ทำให้ท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วท่านก็สามารถมาสอนให้คนอื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายต่อไปได้ เห็นถ้าจะเรียนสูงๆต้องเรียนทางธรรมเห็นจะเรียกก็เรียนจริงถ้าเรียนทางโลกเป็นด็อกเตอร์ก็ยังก็ยังต้องทุกอยู่เวลาเสียอะไรไปก็ต้องร้องหม่มร้องไห้แต่ถ้าเป็นด็อกเตอร์ทางพุทธศาสนาแล้วจะไม่ร้องหม่มร้องไห้ต่อไปคำถามจากคุณอาการิโกค่ะเรื่องอยู่ของเขาเรื่องอยู่ของพระอริยเจ้าเปื่อยอะไรคะก็มิพานไง กับความว่างความสงบค่ะคำถามจากคุณยุทธนั่งสมาธิไม่ต่อเนื่องจะมีเทคนิคอย่างไรให้ต่อเนื่องได้ครับกลายคิดว่าเหมือนกําลังไปขุดทองไงถ้าเราขุดทองนี่เราจะขุดอย่างต่อเนื่องแล้วเราจะขี้เกียจขุดสมาธินี่มันมีคุณค่ายิ่กว่าทองคาในโลกนี้หลายร้อยเท่าคิดว่าเวลานั่งสมาธินี้กําลังขุดทองแล้วอยากจะนั่งเรื่อย แตกต่างระหว่างความตสงบจากยานค่ะอ๋อคำว่ายานแปลวความรู้เร<ม>ีรู้ว่าร่างกายนี้เกิดแก่เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่เรียกว่ายาน<ม>แต่ความสงบก็คือฌานคําว่าฌานแปลว่าสงบยานแปลว่าความรู้<ม>บางทีเราไม่ศึกษากันอะไรคิดว่าเป็นคําเดียวกันฌานนี่สะกดด้วยชอกาเยชเยพอกาเชยส่วนยานนี่สะกดด้วยยอญิง ่และคำถามจามกคุณละพลการบูชาพระพุทธรูปเช่นถวายดอกไม้ตั้งน้ำบนพิงที่จริงเป็นขุดสโลบายพาให้ใจสุขมีกําลังใจใช่ไหมครับถ้าเราทุกใจเรื่องการทาการบูชาเราก็ไม่ต้องไปความถูกไหมครับมันก็ทําให้เรา้ถึงพระพุทธเจ้าธรรมก็ส่์ทําให้เราจะได้มีความเพียรที่จะเข้าหาพระพุทธเจ้าธรรมก็ส่ง พรพุทธรูปนี้เป็นเป็นตัวแทนของพระพุทธธรรมพระสงฆ์พอรเราได้เห็นพระพุทธรูปแล้วก็ จ, จะทําให้เราอยากเข้าหาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตัวจริงมันก็จะทําให้เราเข้าหาการศึกษาเข้าหาการปฏิบัติเพราะนั้นเป็นวิธีที่เราจะเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตัวจริงได้ทั้งหมดแล้วก็พอมั้งวันนี้เสียงมันไม่ค่อยดียังไงดีไหมหรือญาโยมอยากจะฟังต่อ